เราข้างหลายก็นักโทษของวัตฏะมีโซ่ตรวนผูกคอคนละสิบเส้นทุกคนนี่มีโซ่เนี่ยนะโซ่ที่มันล่ามเอาไว้ในวัตฏะเนี่ยนะว่าคนละโซ่คนละโซ่โซ่ผูกคอไว้คนละสิบเส้นตรึงไว้กับอารมณ์หกโซ่สิบเส้นตรึงไว้กับรูปบ้างโซ่สิบเส้นตรึงไว้กับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโภธพภะและทำอารมณ์เพราะฉะนั้นคนมีโซ่ก็เลยเรียก ว, ว่าสังโยชน์มีสังโยชน์ ถูกประกอบนะนะไปที่ไหนก็เหมือนกับว่าตัวเปื้อนกาวไปติดหนับไปเต็มไปหมดเลยนะเรียกว่าเป็นพวกมีเยื่อใหญ่มียางเหนียวใช่โบราณเขาไม่มีคําว่ากาวเขามีแต่ยางนั่นก็เลยอธิบายว่ายางนะของเราก็ยางเหนียวมากเหนียวถึงขนาดว่าแกะให้ออกจากวัตตะนี่ยากมากเพราะลักษณะของยางคือตันหาเนี่ยนะถ้าเอามือไปแตะเปื้อนมือแล้วดึงไม่ออกเลยนะเอาเท้าไปแตะก็ติดเท้าอีกทํำไงอีกเอาหัวเ อ, เอาปากกัดเลยติดปากอีก นอนกลิ้งลงตรงนั้นเลยจะได้ดันให้หลุดติดหนับเข้าไปเองนะยิ่งดิ้นยิ่งเพราะหมูสัตว์โดยปกติดิ้นรนด้วยตันหาและทิฐิเนี่ยนะมันคือความดิ้นรนของหมูสัตว์ดิ้นรนด้วยอวิชชาดิ้นรนด้วยตันหาดิ้นรนด้วยมานะแล้วก็ดิ้นรนด้วยทิฐิเราสังเกตหนูนะบางเรื่องเรากระเสือกกระสนเพราะมานะแท้ๆเนี่ยนะรู้จากเราน้อยไปเนี่ยนะแค่นี้เหตุผลกระเสือกกระสนดิ้นรนเหงื่อแตกพล่านเลยนะมัอยู่เท่านั้นแหละ บางเรื่องก็เพราะไอความอยากแท้ๆเลยนะมันพาไปเนี่ยนะก็กระเสือกกระสนดิ้นรนบางอย่างนี่ไม่รู้สัอย่างเดียวก็กระเสือกกระสนไปแล้วไปถึงแล้วไม่มีอะไร น, นะเคยไปหลายครั้งเลยไปถึงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะเะความไม่รู้จริงๆทำให้สัตว์กระเสือกกระสนดิ้นรนเหมือนปลาในน้ําน้อยฉะนั้นเนี่ยนะก็รู้ว่าดิ้นไปดิ้นมาก็ดิ้นจนเฮือกสุดท้ายเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ทิ้งร่างไป แต่ว่าไอ้ความที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มียังไม่สิ้นตันหาใช่ไหมทิ้งร่างอันนี้เลยก็เลยถือเอาร่างอันใหม่ทิ้งกระดูกอันนี้ก็ถือเอากระดูกอันใหม่ทิ้งชะรามรณะเหล่านี้ก็ถือเอาชะรามรณะอันใหม่ทิ้งชาตินี้ก็ถือเอาชาติใหม่ทิ้งกรรมกายกรรมก็ถือเอาวจีกรรมทิ้งวจีกรรมก็ถือเอามโนกรรมก็ถืออย่างเงี้ยไปเรื่อยวัตตะทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้เมื่อวัตตะทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้เข้าเนี่ยนะ เรามีความมีความใส่ใจว่ามหาภัยทั้งหลายแลเนี่ยนะแต่เราเขาไม่ค่อยคิดนะว่าสิ่งเหล่านี้คือมหาภัยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหว้พระธาตุแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะคิกคักอะไรจริงๆก็ขันทา่าอะไรยตนาอะไรนั่นไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามภูมิใจมากอนะเออเนี่ยนะวันนั้นโอ้มีเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วมีธุระจะสนทนาด้วยเขาจะเลี้ยงข้าวเราสักมื้อหนึ่งอะยิ้มแย้มแจ่มใสต้องแต่งตัวชุดนั้นต้อง ว, วางแผนเบ็ดเสร็จจริงๆก่อนนั่นก็คือชราวและมรณะนั่นแหละ คุณกันตาจะว่าไงกราบนมัส ก, การถามพระอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้เอาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมามาพิจารณาแบบส ม, มาาัสนญญาได้สมมสนญหนึ่งแล้วก็แสดงซึ่งสมมสนญญาเ น, นี้มันก็แสดงเป็น อ, อดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็เมื่อคืนพระอาจารย์ก็แสดงว่าธร ร, รมะ20งอหนึ่งแล้วก็เอามา หมุนเป็นสมัสนยานอดีตอนาคตปัจจุบันที่นิยมก็เลยสงสัยว่าท่านมีเหตุผลอะไรไว้หรือเปล่าไหมคะที่ให้ให้พิจารณาโดยอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อดีตมันก็กหมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วเราก็เราก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้วอนาคตมันก็กยัง ม, มาไม่ถึงแล้วจะทําให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกขอนัตตาได้ยังไงท่านท่านมีเหตุผลไว้หรือเปล่าคะ มีเอเหตุผนนี่มีแน่เนี่ยนะมีแต่ว่าเหมือนอย่างว่าถ้าเราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งในฤดูร้อนเนี่ยนะฝนก็ไม่ตกอะไรก็ไม่ตกทำไมเราไม่เอาแค่ใบไม้มาปิดปิดหลังคาวไว้ล่ะเนี่ยนะนะแค่กันร่มได้ก็พอแล้วใช่ไหมหรือบางทีเนะี่ยนะคิดอีกในหนึ่งอะนะในมิเรนท์ทาปัญหาเนี่ยท่านอธิบายไวช้ชัดเจนว่าคนทั้งหลายเนี่ยนะ เหมือนกับว่าทำอะไรแล้วฉลาดเกินไปเช่นว่ายังไม่หิวน้ำแต่ขุดบ่อน้าเอาไวย้ยางไงอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะคือการย้อนกลับมาที่ถามว่าทำไมจึงต้องพิจารณาอาดีตอนาคตถามว่าอาวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตและความไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตพันการพิจารณาเนี่ยเพื่อให้เกิดวิชารู้ได้ทั้งอดีตและ อนาคตเนี่ยนะผัสท่ามองแค่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยไม่ต้องขวนขวายอะไรมากนะไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องมาประพฤติพรหมจรรย์อะไรด้วยซ้ําไปไม่จําเป็นจะต้องรักษาศีลไม่จําเป็นจะต้องมาสมาทานไม่จําเป็นต้องอดข้าวเย็นเป็นต้นเนี่ยนะให้มันอะไรนะให้มันหิวเล่นเล่นไปอย่างนั้นอ่ะนะทําไปทําไมรักษาศีลทําไมแล้วก็โกรธไปอะไรไปทําไมจะต้องภาคเพียรพยายามแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเขาโยงการสามนี้เป็น รู้เลยว่าอดีตเป็นเช่นนี้อนาคตเป็นเช่นนี้อวิชานี่มันปกปิดทั้งอดีตและอนาคตการพิจารณาอดีตอนาคตเพื่อให้เกิดปัญญารู้ขึ้นโดยเฉพาะอดีตที่ผ่านมาจะได้สังเวชสัทีว่าคือแค่มาทบทวนดูนะว่าชีวิตที่เราไหลไปในวัฏะเนี่ยมาในวัฏฏะเนี่ยนะเขมีในคัมภีเขาบอกลูกท่านผู้เดินทางไกลนะท่านผู้มาแล้วแต่ที่ไกลท่านบอกว่าบางคนเนี่ยมาไกลแค่ไหน อย่างสพยาปริภาชกพระพุทธเจ้าทักว่ามาจากที่ไกลบอกโอ้ยมาตั้งกับพระพุทธเจ้าองค์กรนนะแสวงหาความบรรลุธรรมเนี่ยมาตั้งกับพระพุทธเจ้าองค์กรแต่ถ้าของเราทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอัฏฐานะแปลว่าทางไกลอัฏฐานะทุกคนนี่มาจากทางไกลคืออดีตแต่ถามว่าไอ้ทางไกลในอดีตเนี่ยเราเคยสังเวชใจบ้างไหมว่าคิดง่ายๆว่าแค่ชาตินี้เราเคยสังเวชใจไหมบางคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยแทบตายนะ เกือบจะตายมาทั้งหลายรอบแต่ก็ไม่เคยเอามาสังเวทใจเลยนะอย่างเนี้ยถามอย่างถามผู้การนะผู้การเขาเคยผ่าตัดงอเขา่าได้ข่าวว่าสั่นระริกเหมือนกบถลอกนังนะั่นแหละเสร็จแล้วถามว่าเอามาคิดบ่อยไหมว่านั่นคือเขานะเข่าอันนั้นกับเข่าอันนี้มันต่างกันตรงไหนถ้าได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยจะสั่นระเริกแบบวันนั้นอีกได้ไหมนะแล้วถามว่าอดีตชาติอันยาวนานเคยเป็นเช่นนั้นไหมอนาคตต่อไปถ้ายังมีเข่าอยู่นะ จะต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าไม่คิดอะไรเลยนะเอา้ามันก็หายไปแล้วอ่ะตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไปตีกอบต่ออย่างงี้ยปนเ่แต่ผู้การไม่ตีกอลนะตีเทนนิส <laughs> ก็ก็เลยนึกว่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมพอไม่พิจารณาเข้าก็เลยบอกว่าเออมันก็ไม่เป็นไรอย่างไรคนที่เคยเจ็บป่วยในอดีตเนี่ยนะ พร้อมกระรองเกือบตายอยู่แล้วของอามาเนี่ยแหละเกือบตายมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยเรียนปฐมห้าเป็นมาลาเรียด้วยเสร็จ แ, แล้วถามว่าถ้าเราไม่เก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณานะเราก็เออตอนนี้เราก็แข็งแรงดีอะเดินได้วันเป็นสิบกิโลไงนะไม่เห็นหน้าหนักใจอะไรเลยเพราะชีวิตตอนนี้เราก็สุขภาพแข็งแรงแรงดีเป็นไปได้อย่างสบายก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรเลยว่าไอ้โรคอันนั้นก็รักษา ม, มาหายแล้ว แต่ถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสังเวจใจนะเออเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กร่างกายสรีระก็ผ่ายพร้อมอนาคตถ้ายาเรายังเกิดอีกเราจะผ่ายพร้อมเช่นนั้นไหมปัจจุบันนี้ถ้าตัดอาหารไปสักเจดวันหรือสิบห้าวันเนี่ยนะหรือให้อาหารแต่น้อยให้อาหารแต่น้อยเอาเชื้อมาลาเรียเข้าไปเอาเชื้อโรคทั้งหลายฉีดเข้าไปเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะเป็นเช่นนั้นแบบวันนั้นอีกไหม ดีไม่ดีอาจจะหนักวันนั้นวันนั้นยังรอดตายได้แต่ชาตินี้ก็่ถ้าเป็นครั้งหลังเอก อ, อะไรเป็นเครื่องรับรองว่าจะรอดอย่างแท้จริงก็อย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของการพิจารณาโดยวิภาเนี่ยเพื่อสลดใจในวัตฏะเพื่อสังเวทวัฏฏะเพื่อจะได้ออกจากวัตฏะสักทีนึง น, นะเพื่อจะได้ออกจากวัฏฏะผลการพิจารณาทั้งอดีตในอนาคตเนี่ยนะจะชวนให้สังเวทใน ปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกอย่างในปัจจุบันโดยมากในภูมิที่เป็นมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาวิปัสสนาโดยมากนะเป็นผู้มีบุญเก่ามากชีวิตส่วนหนึ่งประสบแต่อิถารมณประสบกับสิ่งแต่ที่น่าปรารถนาะมีแต่สิ่งที่น่าพอใจให้เห็นให้ได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะทําไมต้องออกด้วยล่ะจะรีบเร่งไปไหนการอากาศก็เย็นสบาย เดี๋ยวก็ถึงเวลาเพลนเขาก็เอาอาหารมาให้ฉันแล้วน้องไปคิดอะไรมากมายใช่ไหมท่านการพิจารณาอาดีตอนาคตเนี่ยจึงทําให้ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้หน้าพิสมัยอะไรสักเท่าไหร่นะไม่ได้หน้าอภิรมสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ประวัติเหล่านี้มันจะซ้ํารอยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาดีตก็มีชราและมรณะอนาคตก็จะมีชราและมรณะตอนนี้เราก็กําลังเดินไปสู่มรณะเพราะชราแล้วเห็นไ คือที่ไม่ค่อยชราเพราะเราเทียบกับคนที่ชรากว่าแต่ถ้าเอาบัวหรือเฟิร์ตมานั่งใกล้โอ้เราที่มันแก่มากแล้วคนละรุ่นกันเลยนะนี่ก็แก่มากแล้วเนี่ยนะถ้าเปรียบกับบัวเนี่ยอายุไม่กี่ขวบเนี่ยนะเราแก่มากแล้วนะแต่นี้เราก็ไปอยู่กับคนเจ็ดสิบแปดสิบเราก็เลยดูอย่างละอ่อนมากเลยนะที่นายได้นะมันก็มันก็ชราจริงๆเนี่ยนะอย่างใครที่สังเกตสุขภาพของตัวเองเนี่ยนะก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนก่อนเนี่ยนะมันไม่เหมือนก่อนมันเปลี่ยนแปลงขึ้น เหนื่อยง่ายเช่นบางคนนี่บอกเหนื่อยง่ายมากนะนะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงและบางคนถ้าสังเกตหนึ่งก็บอกว่าผมนี่ชาลงไอช้ชานี่ไม่ได้แปลว่าสุ ข, ขุมขึ้นนะแปลว่าร่างกายมันทําอะไรไม่ไหวละนึกอะไรก็ไม่ค่อยออกก็ลเลยเชื่องช้าไปเองอย่างนั้นนะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะช้าอะไรหรอกแต่ว่ามันเชื่องช้าไปเองมันคีดอะไรก็ไม่ค่อยออกนะนะมัน ก, กลายเป็นซึมๆไปเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉาบมันท่วมทับ นการพิจารณาอนาคตเนี่ยนะเป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องรีบความเพียรในมรณานุสติสูตรนะนะพระสูตรที่พระองค์ตรัสกับเกี่ยวกับเรื่องมรณะเนี่ยนะว่าปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากถ้าเราไปถึงณจุดใกล้ตายแล้วเราจะไปประพฤติพรหมจรรย์อะไรมันการประพฤติพรหมจรรย์จะต้องรีบเร่งเจริญในตอนนี้แล้วพรหมจรรย์มีอะไรเป็นอารมณ์ โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิพรหมจรรย์คือมักมีองค์8เน้นพิเศษคือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิวิสุท ธ, ธิมีอะไรเป็นอารมณ์เพราะตัววิสุท ธ, ธิคือพรหมจรรย์กังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิคือพรหมจรรย์มัคคามคคายานัศนาวิสุท ธ, ธิเป็นพรหมจรรย์ที่นี้กังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิธรรมติติยานพวกนี้มีอารมณ์ทั้งอดีตอนาคตและ ปัจจุบันเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยที่ต้องพิจารณาเพื่อเสริมปัญญาเนี่ยนะพิจารณาหนึ่งครั้งปัญญาก็ได้อุปนิสัยขึ้นเป็นการสร้างอุปนิสัยให้แก่อริยมรรคปัญญาระดับสูงนะเพราะว่าอริยมรรคปัญญาเนี่ยท่านถือถ้ามรรคเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าทำปริญญากิจกําลังทําปริญญากิจถ้าอริยผลเกิดขึ้นถือว่าทำปริญญาเสร็จแล้ว นี้ถ้าไม่ได้ฝึกทําการบ้านไม่ได้ซักซ้อมอะไรสักอย่างเลยนะทำรายงานส่งได้ไหม น, นะสอบไม่ผ่านอยู่แล้วนั่นก็สอบตกมาพระพุทธเจ้ากี่องแล้ว น, นะที่เอามาสวดกันก็แค่ยี่สิบปดพระองค์ น, นะนะตันหังกรเมถังกรสระนังกรทีปังกรโกลทันยะมังคละเป็นต้นก็ไล่ามาองค์หลังๆเนี่ยนะก่อนหน้านั้นอีกบางคัมพีท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้แล้วในะอดีตมากกว่าทรายในมหาสมุทรยังนึกว่าเออของเราอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยนะ ไม่ต้องแปลกใจมันก็เหมือนกับดูทุกวันนี่แหละเพราะว่าใจวันวันหนึ่งก็อยู่กับพระรัตนตรัยสักกี่ครั้งอยู่กับอริยสัจสักกี่ทีที่อยู่กับอริยรสัจไม่น้อยเต็มทีแต่อยู่กับสมุทัยที่ไม่ใช่สมุทยัทยยะสัจจะเนี่ยนะสมุทัยกับสมุทยัทยยะสัจจะนี่ต่างกันไหมต่างกันตรงที่ว่าสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์สมุทัยยะสัจจะคือความจริงแท้ที่เป็นเหตุแห่ง เหตุให้เกิดทุกข์ที่พระอริยเจ้าท่านเห็นเนี่ยนะคือเห็นด้วยอริยญาณเห็นด้วยญาณอันลึกซึ้งว่าเออนี่คือต้นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะสมุทัยเราเกิดจริงแต่เราไม่รู้ว่าเป็นสมุทยัยสัจจะเพราะไม่มีมัคคสัจจะที่มากําหนดรู้สมุทยัยสัจจะเหล่านี้หรือไม่มีสิกขาในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่นเองดงั้นการพิจารณาอดีตอนาคตมากเท่าใดเนี่ยนะ กุศลธรรมทั้งหลายก็จะเต็มเปี่ยมมากเท่านั้นเพราะแล้วจริงๆด้วยก็ชีวิตของเราเนี่ยนะโดยมากไม่ค่อยอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าสักเท่าไหร่หรอกใช่ไหมเพราะเราเห็นใครคนแรกนะก็ตราบทตอนเห็นตอนแรกนะที่เหลือนะก็คิดเรื่องสมมติถ้ามีใครเป็นอารมณ์ก็คิดถึงเขาเรื่องของเขาในอดีตบ้างคิดถึงเขาต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเขาในอนาคตบ้างก็คิดอดีตอนาคตอดีตอนาคตรับรู้เรื่องอะไรก็ตามอดีตอนาคตอดีตอนาคตอดีตอนาคต ทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดแล้วเมื่ออดีตเป็นอารมณ์ของอวิชชาทำไมไม่เอา อ, าอาดีตนั้นเป็นอารมณ์ของปัญญ า, านะซึ่งปกติเราก็ไม่ใช่ว่าคิดเรื่องอดีตน้อยเลยนะคิดมากด้วยทีนี้ไหนๆก็คิดอดีตแล้วแต่คิดด้วยปัญญาคิดด้วยวิปัสสนาปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งในอดีตก็คือขันในอดีตที่เกิดจากปัจจัยแล้วก็สิ้นไปแล้วในอดีตนะสิ้นไปแล้วในอดีต ก็อย่างเราทั้งหลายโดยมากคิดถึงเรื่องอดีตนะเคยใส่ใจไหมว่าสิ้นแล้วในอดีตเคยเล่าเรื่องของตัวเองให้เพื่อนฟังไหมเคยแล้วใส่ใจว่าเออสิ่งนั้นก็สิ้นไปหมดแล้วนะเพื่อนนะไม่เหลือเลยมีแต่กองทุกรุ่นที่มันเกิดขึ้นเพื่อนเออชีวิตของเราทั้งหลายต่อไปในวันหน้านะมันก็จากสิ้นไปในวันนั้นนั่นแหละมันไม่เหลือหรอกคิดอย่างงี้ไหมน้อยมองตรงกันข้ามพูดเพื่อเสริมสมุทรไทยทั้งหมดเห็นไหมไม่ได้พูดเพื่อที่จะ น้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดอะไรเนี่ยนะั้นการทำปริญญาในอดีตอนาคตนั้นจึงจำเป็นมากบางที่กล่าวว่าสังขารชรา ม, มรณะในอดีตก็โดยสับมันก็แก่ตายในอดีตแล้วเนี่ยนะไม่ได้แก่ตายอันนั้นมาถึงปัจจุบันนี่หรอกแก่ตายในอนาคตก็จักอยู่ในภพนั้ น, นั้นนั่นแหละไม่มีการกระโดดข้ามภพไปนะเพราะอยู่แต่ละภพแต่ละภพนั้นไป ความแก่และความตายชาตินี้ก็อยู่ในภพนี้นี่แหละจะไม่เลยไปหาภพหน้าต่อไปพันการคิดสามชาติเนี่ยน ะ, อะขออภัยไม่ใช่สามชาติสมการเ็าเรียกว่าอาาัฏฐาธรรมะนั้นการพิจารณาธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะรูปธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเขาพิจารณาโดยอาาัฏฐาโดยสมัยโดยสันตติจึงจะมาขับเน้นลงที่โดยคณะเนี่ยนะ โดยอาาัตตาโดยสมัยโดยสันตติและโดยขณะเพราะช่วงนี้จึงประพยายา ม, มกล่าวถึงโดยอัตาก่อนคือบางทีบางคนเนี่ยนะก็อาจจะแบบเรียกว่าเรียนละเอียดยิบแต่ว่าภาพรวมมองไม่เห็นนะบางทีนี่ลงละเอียดรูปกรลาบนี่รู้หมดเลยนะแต่ว่าเรื่องบุญบาปบุญเป็นยังไงผลผลของบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงผลแห่งบาปเป็นยังไงกลับมองไม่ค่อยเห็นนะ เพราะว่าเน้นเจาะลึกจนเกินไปนะที่เรียกว่าแยกใบไม้ออกอะนะสมมติว่าเอาใบไม้เข้าห้องแแบบวิจัยออกหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าต้นนี้มันเป็นยังไงก็เลยไม่เห็นองค์รวมนะก็อย่างที่วงการแพทย์เขามีอยู่คำหนึ่งเขาใช้คําว่าไม่เห็นคนว่าเป็นคนนะนี่ที่หมอบางท่านเล่าให้ฟังว่าหมอบางคนเนี่ยนะไม่รู้ว่าหน้าตาคนไข้เป็นยังไงแต่รู้ว่าคนไข้คนเนี้นะถ้ากรณีคนไข้ารายนี้นะ โรคไตแล้วไตเป็นอย่างนี้หมอจะรู้เท่านั้นน่ะแต่ว่าคนนี้หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จักเราไม่รู้แบบไม่สนใจเรื่องหน้าเลยสนใ จ, จเฉพาะไอ้จุดนั้นเท่านั้นน่ะคือจริงๆแล้วก็อยู่แค่จุดย่อยเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันชีวิตของเราในอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะเราก็มุ่งหยุดอยู่แค่อารมณ์ในปัจจุบันแล้วก็ไอ้ปัจจุบันเหล่านี้ที่เรารับรู้นะเช่นทวารตาเนี่ยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างอ่ะ ใครก็ตามที่รู้อารมณ์แค่ปัจจุบันนะเช่นมีทวารตาก็แค่เห็นมีทวารหูก็รู้อยู่แค่ได้ยินมีทวารจมูกก็รู้แค่รู้กลิ่นมีทวารลิ้นก็รู้แค่รู้รสมีทวารกายก็รู้แค่โพธพะมีทวารใจก็หยุดอยู่แค่นั้นนะไม่มีการรู้อะไรเลยเถิดเนี่ยผู้ภาษาธรรมะบอกคนเข่าที่สุดในโลก น, นะข้อความในเวรัญชสูตรหรือในเวรัญชกัน ในพระวินัยปิดกกล่าวว่าพระองค์นั้นเจริญอาณาปานสติจนได้ฌานที่หนึ่งสองสามสี่เมื่อจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องจิตควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วน้อมไปเพื่อระลึกชาติในอดีตหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติหชาติ8ปดแปดชาติก้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสี่สิบห้าสิบร้อยชาติพันชาติล้านชาติ อนตลอดสังวัตก it like ับวิวัตกับเป็นอันมากว่าในภพนั้นเรามีชื่อเช่นนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นอ่านะสรีระเช่นนั้นเช่นนั้นตายจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นเราก็มีรูปร่างสรีระผิวพันเช่นนั้นเช่นนั้นได้เสวยอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปสู่ภพโน้นต่อไปอย่างนี้ อันนวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาวิชาก็ได้ดับไปแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือวิชาที่ยังรู้ในอดีตอันนั้นพระองค์รู้ด้วยอภิญญายาณแต่นี้รู้ด้วยวิปัสนาญาณการที่พิจารณาอาดีตทั้งหลายเนี่อรู้ด้วยวิปัสนาพ่านคนที่ทําปริญญายาตะปริญญาเบื้องต้นไม่ค่อยดีเนี่ยนะกำหนดเช่นว่าสมณสิการโดยสังขารธรรมสมณศิการโดยนามรูปโดยเวทนาโดย อาหารสีขันธ์ห้าอายตนะวิญญาณทิฏฐิโลกธรรมสัตตาวาสอายตนะถ้าถ้าใส่ใจสิ่งเหล่านี้วิจัยสิ่งเหล่านี้ไม่พอแล้วก็ไม่กําหนดไปที่ปัจจัยว่าปัจจัยของแต่ละอย่างเกิดจากอะไรถ้าเชื่อมเรื่องไปหาอาดีตเมื่อไหร่เชื่อมเรื่องไปหาอนาคตเมื่อไหร่โดยมากก็เชื่อมไปหาอาดีตก็มีสองกลุ่มสัสตตถทิทิกับอาทิตจะสมุปปนะทิฐิเดี๋ยนะ พวกศรัทาที่ถี่ก็ถือว่าในอดีตการอันยาวนานเรามีมานานแล้วมีแต่เราเรามีมานานแล้วบางพวกก็บอกในอดีตเราเพิ่งเกิดมาเลยอๆบางพวกก็บอกถือว่าตัวเองเพิ่งเกิดหลายลทัทธิในในโลกนี้ตอนนี้เขาถือว่าเขาเพิ่งมาเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นครั้งแรกะเขาจึงดีใจมากเลยก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวจะต้องเที่ยวให้เห็นโลกให้หมด เพราะเขาถือว่าเขาเกิดมาไม่เคยเห็นเขาเพิ่งมาเกิดนี่แหละมีผู้สร้างให้เขาเกิดเขาเพิ่งเกิดเพราะนั้นเขาจึงเที่ยวดูให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเขาถือว่าเกิดเนี่ยนะเพิ่งเกิดมาอันนี้เป็นลักษณะของอาทิตย์จัสมุบ ป, ปัณะทิฏฐิทีนี้พวกที่คิดเรื่องอนาคตเนี่ยนะพื้นฐานไม่ได้ทําปริญญานี่จะต่อด้วยทิฏฐิสองคืออุเฉททิฏฐิเนึกว่าชีวิตเราเนี่ยนะสหายเอ้ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอยู่ข้างกำแพงวัด ใช่ไหมเมื่อวานนี้ไปไหว้พระธาตุเห็นป่าวคนละซุ้มคนละซุ้มคนละซุ้ ม, ม, มบางแห่งทําเป็นคล้ายคอนโดนะเข้าไปในเจดีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมองเลยรอบข้างอะนะตายหมดเกลี้ยงละเหลือแต่กระดูกเพื่อนเอ้ยเราไม่รู้ตายไปแล้วก็เอาลูกหลานเอากระดูกไปทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้เนี่ยนะนชีวิตนี้มีขี้เท่าเป็นที่สุดในที่สุดขี้เท่าเหล่านี้ก็กลายไปเป็นปุ๋ยต่อไปหมดกันเพื่อนเอ้ยจบแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเที่ยวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นีะพวกนี้อุดเฉิใช่ไหม พวกอิจฉาพยายามกอบโวยมากที่สุดถ้ายิ่งอุดเฉดบางกลุ่มด้วยยิ่งบอกว่าต้องสร้างชื่อเสียงเอาไว้ในโลกเพราะเราเกิดมาเดี๋ยวก็ตายแล้วพอตายหมดนะเราควรจะมีชื่อของเราอยู่ในถนนบางเส้ น, น, นชื่อของเราควรจะเป็นจังหวัดเป็นตรอกเป็นซอกเป็นซอยเป็นอะไรก็ได้ขอให้มีชื่อของเราอยู่ในโลกนานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะพวกนี้มองถือว่าชีวิตนี้แค่แค่ตายตายแล้วถือว่าจบกันเนี่ยนะ จนเป็นที่มาก็บอกว่ารู้รู้สิ่งนี้แล้วหรือได้เสวยสิ่งนั้นแล้วเมื่อมีสิ่งนั้นแล้วไม่เสียดายชาติเกิดแล้วเพราะว่าคือว่าการเกิดนั้นคุ้มค่าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้าตายก็จบกัน่งนั้นฉะนั้นคนพ่านทั้งหลายที่ทำบาปกรรมมาเยอะนะเขจะบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวก็ตายแล้วตายก็จบกัน่นทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยชีวิตของเราอมาตะเพื่อนเอยเนี่ย นี่ไอ้พวกอมตะก็มีหลายกลุ่มอมตะแบบอมตะในสวรรค์อย่างเดียวหรืออมตะในนรกอย่างเดียวนะก็แบ่งเป็นกลุ่มหนึ่ ง, งนะบอกว่าอมตะในสวรรค์กับอมตะในนรกบางพวกก็บอกชีวิตนี้นิรันดรชีวิตอมตะแต่อมตะตัวนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดมีจุติปฏิสนธิพูดแล้วมันขัดกันเองเหรอไหชีวิตนี้มันเที่ยงเป็นอมตะ ย, ยั่งยืนแต่ว่าตายเกิดนะเอาแล้วอะไรตายอะไรเกิดแล้วมันเที่ยงได้ยังไงถ้ามันเที่ยงมันต้องไม่ตายไม่เกิดสิ แต่นี้ยเขาบอกว่าเออชีวิตนี่มันเที่ยงแต่ว่าตายเกิดเกิดตายะนะ e. พันชีวิตเนี่ยไอ้ขันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะโดยสับเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงโดยเฉพาะอารมณ์ในอดีต ท, ทั้งหลายขันอายตนะธาตุในอดีตขันธาตุอายตนะปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยในอดีตเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงอย่างแท้จรงิงแม้กระทั่งว่าขันอายตนะธาตุในอนาคตต่อไปก็เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง อย่างที่ถ้าถ้าเราเอาหลักการที่พระองค์ถามลู ก, ลกสาวของนายช่างหูกที่ว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบนันะเธอจกไปไหนไม่ทราบเธอไม่ทราบหรือทราบเธอทราบหรือไม่ทราบอานะเธอทราบหรือบอกก็บอกว่าที่ถามว่าเอาเธอมาจากไหนทําไมไม่ทราบบอกไม่รู้ว่าชาติที่แล้วมาจากไหนอะที่มาสู่คันของแม่ในชาตินี้นะ ไม่รู้จริงๆว่ามาจากที่ไหนเราบอกถามว่าเธอไปไหนก็บอกไม่ทราบก็ไม่รู้ว่าจุติจากภพนี้แล้วจักไปไหนเธอทราบเธอไม่ทราบหรือบอกทราบรู้อย่างหนึ่งว่าตายแน่เธอทราบหรือบอกไม่ทราบไม่รู้จะตายวันไหนอนไอันนี้คือความจริงของสัตว์โลกปกติเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าผู้ที่ อ, อยู่ในโลกเนี่ยนะ ถ้าเจริญทิฏฐิวิสุธทธิหรือเจริญกังขาวิตรณวิสุธทธิเนี่ยนะไม่รู้ก็จริงแต่กําหนดเข้าโครงได้กําหนดเข้าโครงได้สมมุติว่าปฏิสนธิในมนุษย์เนี่ยมาจากพพใดได้บ้างเขาคํานวณได้เลยใช่ไหมว่าปฏิสนธิในมนุษย์เนี่ยจิตที่นําปฏิสนธิมีกี่ประเภทปฏิสนธิในมนุษย์เนี่ยนะแสดงว่าที่เรามาเกิดในคันแห่งมารดาของเราเนี่ยนะ ก่อนจะตายชาติที่แล้วเราต้องมีอารมณ์ที่ดีหมายค่ะว่าเป็นนิมิตแห่งกุศลเช่นกรรมนิมิตต้องเป็นกรรมนิมิต ท, ที่เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของกุศลคตินิมิตก็ต้องเป็นคติที่ดีที่ได้รับหรือกรรมมอารมณ์ก็ต้องระลึกถึงกรรมที่ดีทีนี้กรรมที่มานําเกิดเหล่านั้นน่ะเป็นอุปชาเวทนิยกรรมกรรมที่เพิ่งทําชาติที่แล้วหรือนําเกิดหรือว่าอปปราปริยะเวทนิยกรรมเมื่อหลายๆชาติมานําเกิดอย่างนี ก็จะเริ่มกาหนดได้แล้วใช่ไหมเพราะชีวิตในที่เห็นเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยกรรมบางอย่างมานำเกิดอย่างนี้แล้วกรรมบางอย่างก็มาอุปธรรมถ้ามองกรรมเป็นบุคคลเนี่ยจะเห็นชัดว่าเช่นชนะกรรมก็เหมือนกับพ่อแม่ผู้ให้กาเนิดอุปธรรมพระ ก, กรรมก็เหมือนกับญาติทั้งหลายที่าทมาคอยอุปการะเนี่ยนะถ้าอุปปีและกรรมก็เหมือนคู่เวนที่มาคอยมาคือที่มาคอย เบียดเบียนเราอยู่ด้วยอ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับฆ่าอะไรเป็นคู่ขม็ณคู่กัดกันเนี่ยนะเป็นคู่อะไรคล้ายๆจองล้างจองผลาญแต่ก็ไม่ถึงกับฆ่าเสร็จแล้วก็มีกลุ่มศัตรูที่ชัดเจนไหมว่าถ้าเขาเจอเราเมื่อไหร่เป็นต้องฆ่าอันนี้ถ้ามองกรรมเป็นรู ป, ปรธรรมนะหรือมองอกุศลก็เหมือนกับศัตรูทั้งหลายมองกุศลก็เหมือนกับญาติทั้งหลายเพราะถ้าเกี่ยวข้องกับผลของบุญนะจึงสเสวยแต่สุขเกี่ยวข้องกับผลบาปนะ เดี๋ยวก็อยู่ๆก็เขกสีสันให้เราปวดหัวเล่นอย่างเงี้ยเลยมีไหมใครไม่เคยปวดหัวบ้างแสดงว่าทำบุญไว้ดีมากเลยนะที่ไม่เคยปวดหัวเลยเนี่ยก็แสดงว่าอากุศลมันพร้อมที่จะหยิกให้ผลได้ทุกที่ในสริรระเนี่ยนะในสรีระมันหยิกให้ผลได้หมดเลยทีนี้เราก็มามองว่าแล้วปัจจุบันชาตินี้แล้วเราคบใครอยู่อ น, นะสร้างศัตรูอยู่หรือคบมิตรที่ดีอยู่ก็คือกุศลอกุศลใน ในปัจจุบันที่กำลังมันประกาศถึงว่าผลต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอะไรสมมติถ้าเรากำหนดปัดจจัยเป็นอย่างดีเราทราบหรือไม่ว่าเราต้องเกิดในภพใหม่นะทราบทราบได้ยังไงก็เพราะมีกรร ม, มสักตาเน่นะนะเพราะความที่กำหนดในหลักกรรมและผลของกรรมเราทราบไหมว่าชาติหน้าต่อไปเราจะเกิดที่ใดทราบไหม ถ้านึกถึงปาณาติบาตเป็นต้นนึกถึงอากุศลกรรมบดเป็นต้นเนี่ยพอทราบไหมว่าควรจะเกิดที่ไหนทราบว่าอบายแน่นอนนะถ้านึกถึงอากุศลกรรมบทที่ทำมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะทำมาอย่างดีหมายความว่าจะฆ่าสัตว์นะวางแผนเป็นอย่างดีจึงจะฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งได้อย่างนั้นนะก็อย่างบางคนเนี่ยนะทำอากุศลเช่นดื่มสุรานี่วางแผนมากนะไม่ใช่เป็นดื่มกันได้ง่ายๆนะ มันจะต้องวางแผนจะต้องนัดเพื่อนจะต้องหนีเมียจะต้องอะไรอีกตั้งหลายเรื่องเลยนะบางคนเนี่ยยอมก็เล่านะก็บอกว่าต้องไปจอรถทิ้งไว้อีกร้านหนึ่งแล้วต้องไปกินอีกร้านหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวเมียไปตามกลับม า, บอาโอ้วางแผนมากนะกว่าจะทําเนี่ยทําอากุศลได้สำเร็จเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเจริญอกุศลด้วยดียทําอย่างรบอบขอบอย่างนั้นเลยนะไม่ให้ใครมาขวางในการทําอากุศลอย่างเด็ดขาดอย่างเช่นพวกขจรเนี่ยนะมันเปิดติดป้ายสติ๊กเกอร์นาหน้าเหมือนไงบอกชั้นคือมาหาโจชนนะ ในนีเนี่ย น, นะเหมือนกับเหมือนเราเข้าไปในบริษัทห้างร้านอนะไรเขามีสติกเกอร์มีชื่อมีตำแหน่งมีอะไรเบ็ดเสร็จหมดแต่พวกโจรเวลาไปปล้นนะ่ะปกปิดตัวเองวางแผนทํำยังไงคนจะได้ไม่รู้คือสรุปว่าอย่าได้ขวางชันทำอธินาธรรมเกณฑ์นะคนอื่นไม่ต้องมารู้ไม่ต้องมาเพราะว่าวางแผนมากในการทําอากุศลแต่ละอย่างเห็นไหมอันพวกทำกาเมษุมิจฉาจาร์กวางแผนเป็นอย่างมากก็ประกอบกรรมเป็นอย่างดีนะก็ท่านนึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็รู้ได้เลยว่าไปไม่ดีแน่ แต่ถ้านึกถึงกุศลที่วางแผนเป็นอย่างดีในการเจริญกุศลแต่ละอย่างก็รู้ว่าไปดีทีนี้อันนี้นึกถึงกรรมถ้าบอกว่าถ้ามีสีเป็นอารมณ์นะควรจะเกิดที่ไหนดีถ้าเรียนกรร ม, มสกตามแม่นเนี่ยบอกได้เลยว่าฉันควรจะเกิดที่ไหนมีปลาเป็นอารมณ์เนี่ยควรเกิดที่ไหนดีนะตอนนี้เลี้ยงปลาเยอะเนี่ยนะให้อาหารปลาเยอะปล่อยปลาเยอะเนี่ยนะถ้าไม่นึกถึงตอนทําปานาติบาตก็ไปดีแน่อย่างนี้ ก็ในสิ่งเดียวกันเนี่ยถ้ามีไฟมีเปลวไฟลุกเราควรไปที่ไหนดีไม่แน่ว่าถ้านึกถึงเปลวไฟในเทียนนี่ก็ไปดีนะเปลวไฟในเทียนที่จุดบูพุทธบูชาเนี่ยก็ไปดีแต่เพืเพืเป็นไฟนรกไฟเหมือนกับไฟลาวายเนี่ยก็นึกถึงจีวรนที่ไปหอมพระเจดีย์ไว้นะสีเหลืองเหลือเหมือนกัน น, นะก็อาจจะไปดีได้บ้างนะมั น, นก็ถ้ามนสิการอารมณ์ปั๊บจะรู้ได้เลย หรือแม้กระทั่งว่าคนที่กําหนดอารมณ์ของของพบใหม่ต่อไปเนี่ยเขาดูแต่พื้นอย่างเดียวก็บอกได้เลยว่าเขาจะเกิดที่ไหนนะนะอย่างที่ผู้การเล่าไปเห็นฟุตบาทในถนนเนี่ยรู้เลยว่าจะตายตอนนั้นไปอาบานแน่นอนเพราะผู้การเขาไปช่วยสร้างถนนทางความคิดไปเป็นเจ้าหนะ้าที่เทศบาลทางความคิดเนี่ยนะก็เลยเดือดร้อนมาบกบ่าโอ้นี้ดีนะที่ไม่จุติว่า ง, งั้นตอนนั้นถ้าจุติก็ไปไม่ดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าอารมณ์อะไรปั๊บเราเห็นรู้เลยว่าจิตเราเป็น อย่างไรถ้าจิตเป็นอกุศลไปดีได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะอากุศลเนี่ยน ะ, ะพระองค์ตรัสไว้เลยว่าเปไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่วจีกายะทุตเจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตจะให้ผลเกิดในอบายที่จะทําให้เกิดในสุกติโลกสวรรค์เป็นไปไม่ได้ฐานะเดียวคือฐานะที่เป็นไปได้ก็คืออบายทุกติวินิบาตนารก แล้วถ้าระลึกถึงกุศลในตอนนั้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปอบายเป็นฐานะที่จะมีได้คือไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นการรับอารมณ์เนี่ยมันประกาศบอกเราเลยว่าควรจะเกิดนะที่ใดดีเพราะฉะนั้นใครที่มีหลานนะคิดถึงหลานปั๊บก่อนตายควรจะไปไหนดีนนะ ก็แล้วแต่ใครนะเน่ของมาไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเจริญเมตตาเจริญอะไรไว้เยอะก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามองเห็นสัตว์ทั้งหมดเป็นเหมือนลูกเราเป็นเหมือนหลานเราก็แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาก็ไปดีนะแต่ถ้าหากว่าคิดอีกแง่หนึ่งนะด้วยอํานาจฉันทราคะด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิก็โต้ไพลกับโตภัยแล้วคับนี้ก็ของใครก็ของใครจริงๆเนี่ยนะนะตอนเราเกิดมาเรามาคนเดียวไม่ใช่หรือแต่ก็มีนะบางคนมาทั้งสอง เป็นแฝดบางคนมาสามบางคนมาสี่บางคนมาแบบรักกันมากเอาอกชนกันมาเลยอย่างง้นะคลอดออกมาเดือดร้อนหมอพาออกเองัองนนะ